สว์กระีแทงตลอดอวิชาสังขารเป็นต้นอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่วิปัสสนาญาณของท่านจะไม่รู้คําว่าอาวิชาเพราะว่าคําว่าอาวิชานั้นเป็นชื่อของบัญญตัติสภาวะที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นสภาวะประมัตาท่านต้องชัดเจนปัญญาต้องกว้างกวางกว่าโมห oh ะและเอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารยี่ไหมทั้งปุญญาปุญญาและเนรชาท่านต้องชัดตรงนั้นด้วย สรุปแล้วก็คือว่าทั้งบัญญัติทั้งปรมัตท่านไม่หลงท่านเห็นความเป็นไปของอุปาทานกันนะแล้วก็เหตุแลปะปัจจัยที่ทําให้อุปาทานกัน5นเะกดิดขึ้นตรงนี้ก็แปลเห็นชัดบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะท่านเข้าใจกระแสของนํารูปที่กําลังเป็นไปอยู่และกระแสของนํารูปที่เป็นไปอยู่นะั้นน่ยท่านเข้าใจทั้งกลุ่มของนามธรรมาทําไมท่านจะไม่รู้ว่าท่านกําลังประชุมอริยสัจใช่ไหมท่านจะต้องเข้าไปแทงตลอดอริยสัจ และทำไมท่านจะไม่รู้ว่าสิกขาสามท่านกำลังเดินอยู่ในเรื่องของสิกขาสามข่นคือศีลสมาธิปัญญาที่กำลังเป็นไปอยู่ ใ, ในการทำกิจในการที่รอบรู้ทุกราสมู่ไทยทำนี้โรทยแจ้งอบ ร, อรมอริมักหนท่านต้องเห็นทุกโดยโลกิยาวิปัสนาเนะี่ยเริ่มชัดขึ้นและในขณะที่ท่านเห็นทุกท่านก็รู้ด้วยว่านั้นเราเรียกว่าขันทำไมจะไม่รู้ว่าเรียกว่าขันอายตนะท่านก็ต้องชัดเรียกว่าอายตนะธาตุท่านก็ต้องชดัเนะงชดเรียกด้วยความเป็นธาตุ ฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถึงบอกว่าปรามัดนะท่านรู้บัญญัติและท่านก็รู้แล้วท่านก็รู้ตัวด้วยว่าในขณะนั้นนะ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กําลังหมุนไปวินกระแสขันที่กําลังหมุนไปอยู่นั่นนะ่ะท่านนี่แหละคือพระมาหาบุระดุลที่จะได้ตัดสรูุเป็นพระเจ้าทําไมท่านจะไม่รู้เพราะคําว่าพระเจ้านี่คือบัญญัตินี่ใช่ไหมเป็นบัญญัติที่เป็นพันนามที่ไม่มีใครตรงตั้งให้ เป็นสัจจิกาบัญญัติใช่ไหมเป็นบัญญัติที่เกิดขึ้นเพราะการประชุมอริยมรรคเป็นต้นได้และได้ตัดสรู้ได้โดยตรงนี้ท่านต้องเข้าใจที่ความที่ท่านจะเป็นพุท ธ, ธเนี่ยโดยอาการที่ท่านกําลังดําเนินอยู่เพราะวิปัสสนามันยิ่งแคบลงแคบลงเนี่ยมันผิดปกติต้องการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาต้องกว้างเข้าใจใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เสียเราจะได้เห็นทางเดินของการบรรลุของพระผู้มีพระภาคว่าพระบรมศาสดาเ ป, เป็นอย่างนี้ ทีนี้พอเป็นไปตามลําดับลําดับของวิปัสสนาญาณก็เป็นไปตามลําดับใช่ไหมเริ่มตั้งแต่อุทยาปยาญาณเป็นต้นเป็นไปตามลําดับนี่นะฉะนั้นในขณะที่วิปัสสนาญาณเข้าถึงความคมความแก่ความกล้าความชัดเจนยิ่งขึ้นสภาวะของวิปัสสนาญาณซึ่งมีฐานจากสมาธิเป็นอย่างดีใช่ไหมฉะนั้นเป็นเป็นวิปัสสนาญาณที่ยืนอยู่บนฐานที่มั่นคงมากสมาธิเหมือนหิน ใช่ไหมใช่วิปสัสนาญาณเหมือนมีดใช่ไหมเออถ้าพูดถึงในลักษณะบอกว่าแล้วอ่ะแล้วถ้าพูดถึงด้านขวานปัญญาเหมือนขวานใช่ไหมเออเป็นคมเหมือนขวานเนี่ยที่ท่านยื้อยู่บนแผ่นดินก็คือยื้อยู่บนศีลใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นการจะรับขวานให้คมก็รับที่ที่หินหินนั่นแหละเป็นที่รับขวานรับมีดหินคือสมาธิอย่างนี้เป็นต้นต เออท่านประกอบศิกขาสามในการเดินศิกขาสามเพื่อจะทําลายในทำกิจในการทําลายกิเลสให้เป็นสมุเฉทปอาหารอะไรละเป็นปัจจัยแก่การันท่านจะเดินเข้าสู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยท่านเดินได้ง่ายๆท่านคล่องแคล่วมากคือประตูเนี่ยท่านมาดูหลายรอบแล้วท่านไม่ได้ก้าวเลยธรณีประตูเข้าไปเท่านั้นในสังสารวัฏที่ผ่านมานั้นพระบรมศาสดานี่ท่านเดินมาเที่ยวหลายรอบแล้ว เดินไปจะถึงอุสังขาหรือเปกขายาณเนะี่ยเดินแล้วท่านมาเขย่ากุญแจเล่นมันตั้งหลายครั้งแล้วไขปุ๊บ ก, ก็เปิดประตูเข้าได้เมื่อไหรก็ได้แต่ท่านไม่เอาไงใช่ไหมสาวกธรรมดาไม่เอาอัค ร, รสาวกก็ไม่เอามหาสาวกไม่เอาใช่ไหมปเจกับโพธิญานยังไม่เอาเลยถ้าท่านจะไขเมื่อไรมัน ไ, ได้ไงแปลว่าท่านมาดูหลายรอบแล้วแต่มันไม่พร้อมอ่ะแต่มาครั้งนี้แปลว่าพร้อมมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหม มาอย่างผู้ที่เต็มทุกบา ร, รมีมาอย่างผู้ที่มีโพธิปักทิฏฐิธรรมสามสบริบูรณ์มากกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกพร้อมเทโลกมาโลกพรมโลกสมณาชีพรามณทั้งหลายเทียบไม่ได้เสมอพระองค์ไม่ได้โดยศีลคุณโดยบา ร, รมีทุกข้อเทียบไม่ได้มาครั้งนี้พระองค์เดินเข้าอย่างอานานหมักหนี่วิปัสนาญาณของพระญาต้องเป็นแบบนี้ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมเขาเรียกมหาวิปัสนาญาณ ไม่ธรรมดาอย่างที่เราคิดเราจะเห็นว่าในวันที่พระองค์จะตาสรู้เนี่ยมโหล้านมากเขาตื่นเต้นกันหมดเว้นเราเนี่ยนะเราเป็นสัตว์บุญน้อยอะ่ะใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่าเรานี้สัตว์บุญน้อยในวันนั้นท่านตื่นเต้นกันมากมายต้อนรับกันเยอะแยะทั้งฉัดทั้งล่ม ทั้งอะไรต่างๆดอกไม้ของบูชาเต็มไปหมดใช่ทุกสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลเนนะี่ยท้าส ก, กาัดในหมื่นจักรวาลมากันหมดพร้อพรมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็มากันเพียใช่ต่างก็มาคอยสักการะบูชากันใครมีความดีอะไรทั้งหลายมาบูชาใครร้องลําทำเพลงได้ยังต้องมาร้องลําทำเพลงดกันบูชาในการเพ่จะเป็นการบูชาการตัดสรุโอกาสที่จะมี ระดับมหาบุรุษเมตตาลุญูนุตตราสัมมาสัมปทิยานี่ไม่ง่ายเลยประเภทที่ว่าลืมตาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านรอบมาไม่เคยเห็นสัตว์ที่มีใจอาหารปั่นนั้นเนื้อเนี่ยถ้ามาพิจารณางี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ในการตัสรู้ของพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายถ้าเห็นความยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้จะได้ประกอบพุทธคุณได้ประกอบในนี้ก็คือตั้งโยนนิโสมนัสการในการเจริญพุทธคุณได้ชัด ใจได้ไม่เจริญพุทธคุณเหมือนคนกระหยอกขง้่อยอะ่ะเจริญจ้องจ้องเหมือนคนใกล้ตายนี่นะไม่ใช่ก็เจริญแบบอาถรรพ์ลาเริงจริงๆใช่ไมใช่เออเรามีพระศ า, าสดาที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่มีพระศ า, าสดาที่ที่ไม่ใช่ไม่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากด้วยเทวดาทุกชั้นมาบูชาพรหมทุกชั้นมาบูชาเท้าสกาทุกชั้นมาบูชา หน้าคนทันครุฑทั้งหลายมาบูชากันเต็มหมดเนี่ยสตาร์บอทเท่านั้นหูหนวกเท่านั้นแหละขนาดตาบอดยังเห็นแสงสว่างหูหนวกยังได้ยินเนี่นะสัตว์ในนรกก็ได้ยินสะเทือนสถานเนี่ยนะนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าพุทธคุณยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่ประกอบวิธีคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงนะอันนี้ตามความเป็นจริงเล็กน้อยที่ปัญญาของสัตว์โลกในยุค ป, ปัจจุบันที่เป็นบุรุษชนเนี่ยนะ คนหนาเน่นได้บาปอกศุศลด้ด้วยกิเลสทั้งหลายคิดออกเนี่ยเราคิดได้แค่นี้ยแต่ขนาดคิดออกในแค่นี้ก็ยังห้องหาไทยของเราท่านทั้งหลายเนี่ให้เตรียมเตรียมเปี่ยมด้พุทธคุณได้นี่ขนาดคิดออกแค่นี้เนียถ้าท่านทั้งหลายลงไปวิจารณ์วิจยัยหรือไปใคร่ควรไปพิจารณาให้มากกว่า น, นี้สิให้ชีวิตยังสละได้อย่างนี้เป็นตนน้นนะเนี่ก็จะได้เข้าใจมองเห็นใช่ไหมยังถึง ม, มองเห็นนะี ถ้ามองเห็นในลักษณะนี้จะเห็นชัดว่าพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากทีนี้พอวิปัสสนาญาณของพระ อ, องค์ที่เป็นไปเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเฉพาะในกระแสะขันของท่านกระแสะขันทั้งหลายในยจักรวาลทั้งสิ้นนี่พระ อ, องค์เอามาวิจัยด้วยความเป็นทุกข์สัตว์ในสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านวิจัยไว้ไวเบ็ดเสร็จฉะนั้นฐานแห่งการตรัสรู้โนตระสัมมาสัมปทิญาณของพระ อ, องค์เนี่ยนะ การประกอบที่จะได้โสดาปริมากสกาธาคามิมาร์อนาคามิมารธรรมยิ่งละเอียดยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว้างขวางสภาพของวิปัสสนาญาณ น, นี่นะล่องลอยของโสดาปริมาของท่านก็กว้างไม่รู้จะกว้างขนาดไหนแล้วนี่นะยิ่งท่านมาเดินรอบที่สองแห่งการที่จะทําสกาธาคามิมาร์ให้เกิดขึ้นในกมลสันดานของท่านอีกกว้างอีกมากกว้างอีกหลายร้อยหลายพันเท่า เห่งการที่ท่านประชุมกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายที่ท่านระลึกได้เป็นต้นเหล่านั้นเอามาประชุมลงอริยสัจแปลว่าท่านเห็นอริยสัจตั้งแต่ยาตาปริญญาแล้วท่านเห็นตั้งแต่ยาตาปริญญาในการระลึกชาติทุนหลังและระลึกชาติอดีตนาคดเป็นต้นแล้วท่านประชมอริยสัจโดยวิปัสนาญาโลกกย์ปัสนาญานของท่านเนี่ยและท่านไม่ล่มหลงในกระแสขันของสัตว์เรียบร้อยแล้วยาตาปริญญาเน่ยแปลว่าท่านไม่หลงแล้วถอนสกายะที่ทีได้แล้ว แปลว่าท่านไม่ลุ่มหลงแล้วฉะนั้นต้องเข้าใจวิปัสนาญาณของพระพุทธเจ้าวกว้างใหญ่มากาจริงๆแล้วลองคิดดูดีท่านต่อวิปัสนาญาณที่สูงขึ้นไปด้วยแล้วท่านจะก็น้อมกลับมาวิจัยใหม่อีกรอบเนี่ยจะขนาดไหนคําว่าปฏิสังขานู้นสัพิสังขายานเนี่ยคำว่าย้อนกลับมาไขาครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยปัจจัตลักษณะอีกรอบหนึ่งเนี่ยถามว่าจะชัดและจะกว้างขนาดไหน